่องใครฉันก็มีสิทธิจะไปไหนก็ไปฉันไม่จำเป็นต้องบอกใครว่าทำไมเลยอย่างไรฉันไม่จำเป็นต้องให้ใครเข้าใจกูฉันไม่ตายยังไงก็ไม่